ราการธรรมรับอรุณมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำทุกวัน้ดยสูตรสบ้วก45ติดในทุกวันพุธที่เราจะนำธรรมะหัวข้อแม่บทมาให้ธรรมฟังทำความเข้าใจให้เกิดความถูกต้องตกผลึกเป็นสะเก็ดความคิดให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาในการที่จะเดินตามแผนที่คำสอนได้น15นาทีแรกถึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำสมาธิปฏิปฏิธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบกันซะก่อนล้วในช่วงที่สองของรายการก็จึงจะเป็นช่วงที่ให้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงแรกที่เรามาฝึกตั้งจิตตั้งสติทำสมาธิขอให้เกิดขึ้นนั้น ก็เริ่มด้วยการตั้งสติของเราไว้อยู่เฉพาะหน้าเราทำสมาธิในต้อฝั่งเราหาอะไรเราให้เห็นอะไรเราฝึกทำสมาธิอันดับแรกเลยที่เราจะต้องหาให้เห็นนั่นก็คือจิตของเราแต่จิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวมันก็ไปตามความคิดนึกไม่รู้ความคิด so นึกนี่มาจากไหนแต่มันมาแล้วจิตก็ตามไปเดี๋ยวก็มาตามเสียงเสียงมาจากคนข้างบ้านบ้างเสียงมาจากการเดินทางบ้างเสียงจากสัตว์บ้างเสียงจากคนบ้างไม่รู้มาจากไหนแต่มันมาแล้วเข้าหูรอแล้วจิตก็ตามเสียงไปบางทีเดี๋ยวก็ตามกลิ่นไปด้วยกลิ่นมาจากไหนจากครัวบ้างจากรถขยะบ้างจากดอกไม้บ้าง ไม่รู้มาจากไหนเข้าจมูกแล้วจิตก็ตามไปได้จิตเนี่ยมันตามไปได้หมดทั้งรูปผ่านทางตาเสียงผ่านทางหูจิตก็ตามความคิดนึกผ่านทางใจด้วยนะจิตกับความคิดเนี่ยไม่ใช่กันเดียวกันที่เราจะต้องฝึกหาให้เจอให้เห็นในเบื้องต้นนี้คือหาจิตของเราให้เจอ เหมือนอยังควานช้างหรือควานม้าก็จะฝึกช้างหรือม้าให้เป็นชั้นดีชั้นยอดชั้นเลิศเป็นช้างที่คู่ควรเป็นโงโองอวยวะของพระราชาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีช้างไม่มีมา้ามันก็ฝึกกันไม่ได้ละเขาก็ต้องไปจับช้างจับมา้ามาจากป่าซะก่อนให้ได้เราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องแม่บทหัวข้อธรรมะ ให้เป็นมาติกายอย่างใดอย่างหนึ่งใช้อะไรเป็นตัวในการทำความเข้าใจจิตเรานี่แหละจิตต้องเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้บ้างเป็นวิญญาณรู้ชัดบ้างเป็นปัญญาถ้าเราจับจิตของเรายังไม่ได้มันไปไม่ถูกต่างตัวตั้หวังเราจะจับจิตของเราให้มันได้แต่จิตยังวิ่งบนวุ่นไป เหมือนลิงที่มันเที่ยวโหวนตัวเองไปในป่าจะ ก, กิ่งนี้ปล่อยกิ่งเดิมเหนียวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องผูกลิงของเราตัวนี้เอาไว้อยู่กับเสาที่มีความมั่นคงเรานั่งสมาธิจะให้เห็นจิตของเราได้ต้องมีเครื่องมือตั้มฟังเอาอะไรเป็นเครื่องมือดีวันนี้ เราฝึกกันมาป่านนี้เอาไม่ต้องเอาไกลเอาเฉพาะหน้าเราเอาลมหายใจนี่แหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องหมือแต่มีคนถามมานี่ทําอะไรอยู่บอกเขาไปเลยว่าทําสมาธิถ้าก็ถามว่าเอาทําสมาธินี่เห็นอะไรนี่เห็นลมหายใจบอกเขาไปเลยท่านฟังเอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเราคิดนึกเรื่องไหนท่านฟัง จิตเราก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องพ่งนี้มาเรื่นนี้คนนี้ที่นั่นที่นี่จิตเรามันก็ตามสิ่งนั้นไปเราคิดนึกไปเรื่องเสียงจิตมันก็ตามเสียงไปเราคิดนึกไปเรื่องกลิ่นจิตก็ตามกลิ่นไปแต่ถ้าเราคิดนึกมาอยู่กับลมหายใจจิตมันก็มากับลมหายใจนี่แหละจิตมันก็ตั้งอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละ คิดนึกเรื่องลมหายใจคิดยังไงลมหายใจมันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็มันอยู่ตามจังหวะของมันเราไม่ต้องฝึกบังคับลมทุวฝัง่งนี้ไม่ใช่การฝึกโยคะไม่ใช่การฝึกหายใจแบบนักกีฬาหรือนักร้องนักดนตรีแต่เป็นการฝึกจิตจิตมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาให้มันมาอยู่กับลมหายใจ ลมหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาผ่านเข้าผ่านออกตั้งสติออระลึกจอรู้ดูไว้อยู่กับลมเรามาระลึกนึกถึงอยู่กับลมเนี่จิตเราก็นอมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังแต่จิตเราน้อมไปทางความคิดนึกแต่ความคิดนึงมันปรารบกามกามก็มีพลัง ถตาจิเรานึกน้ำไปตามกลิ่นแต่กลิ่นนั้นปราลบเรื่องปยาบาดไม่พอใจที่มันก็ทําให้ความไม่พอใจนั้นมีกําลังแต่ถ้าเรามาคิดนึกตรีตรึกอยู่กับลมไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมหายใจนี่เป็นอะไรเป็นกายนะเป็นกายเป็นาธาตุลมลมหายใจนี่เป็นอะไร เป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเพามันเป็นปัจจัยกระทบมาเป็นเวทนาเวลามีลมกระทบเป็นธาตุลมให้เกิดความรู้สึกเป็นเวทนานี่นี่แหละทุกฝังเป็นฐานที่ตั้งของสติเรียว่าสติปัฐานเป็นกายเป็นเวทนาจิตเรามันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็เป็นจิตด้วยเห็นธรรมะคือสติบ้างเห็นธรรมะ คือสมาธิบ้างเห็นธรรมคือความไม่เตี้ยงบ้างมันก็เป็นธรรมด้วยเป็นกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ที่ลมหายใจตั้งขึ้นเอาไวา้ที่เราอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ระลึกรู้ดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวที่เรารับรู้ถึงสัมผัตของลมหายใจได้เขาก็รู้ออกก็รู้ ไอ้ที่ว่ารู้นี่คือมีสติอรตรู้ไอ้ที่ว่ารู้เนี่ ย, กยกีก็มีความรับรู้คือวิญญาณอยู่ด้วยแต่เจ้าความรับรู้คือวิญญาณบางทีมันก็กระจายไปหลายอย่างคุณมีหูเราจะว่าไม่ได้ยินเสียงมันมีสตาวิญญาณอยู่แล้วคุณมีจมูกจะว่าไม่ได้กลิ่นมีกลิ่นมากขคอไผ่รมใครทำอาหารดอกไม้มีกลิ่นมันก็ได้กลิ่นอยู่แล้ว ลินมาต้องมีคานวิญญาณมีวิญญาณรู้แจ้งแล้วเราจะตั้งสติระลึรกรู้ไว้ที่ไหนนี่เราเอาใจใส่เอาใจจดจ่อไว้ที่หลมการรับรู้นี่มันมีทั่วไปดูฝังที่เราเนี่ยมันมีความกว้างขวา ง, วางรับรู้ไปได้ในทุกเส้นทางมีภาษาอายตนะสลายตนะอยู่ช่องทางไหนนามรูปมันแส่สายออก รับรู้ได้วิญญาเนี่ยมันไปหมดนะรับรู้แล้วตรงนี้แหละเราสามารถเลือกที่จะเอาจิตของเรานั้นตั้งเอาไว้จดจ่อรลกรู้มีสติเอาไว้ในที่นี้ให้อยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ตูฟังเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิดเลย เกิดมาจากคันแม่หมอเนี่ยเขาก็จะต้องเอาอะไรมาดูดเมือให้มันออกมาก่อนออกมาปุ๊บก็ลมหายใจออกเนี่ยมันดันออกมาก่อนลมหายใจออกดันออกมันถึงจะมีลมหายใจเข้าได้จะออกก่อนเข้าหลังเข้าหลังออกก่อนมันได้ทั้งนั้นดูฟังมันต้องวนไปวนไปการตั้งสติเนี่ยวนไป เหมือนอวิชชาเนี่ยแหละตนฟังมันก็วนไปวนจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามไล่ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดตันหานี่มันคือบอกลานไปทางไหนอวิชชาเนี่ยก็เป็นหมอกปกกลุ่มหอหุ้มตามกันไปสติเราก็ต้องคือบอกลานไปเหมือนกันคือบอกลานตามความรับรู้นี่แหละเพราะว่าตันหาอาวิชชามันคือบอกลานตามไปกัน กุบิญญาณของเราการรับรู้ของเราการรับรู้ของเรามันแสบซ่านรับรู้ไปทางไหนตนาวิชามันยืดโยงปกปิดตามกันไปการรับรู้ของเรามันแสบซ่านคลื่กล้งไปทางไหนสติของเราก็ต้องยืดโยงตามกันไปลักษณะ น, น, นี้ต้องเป็นเครือข่ายของสติตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยทุกช่องทาง เป็นเรียบไว้เหมือนกับกำแพงเมืองมีกำแพงแล้วก็คนจะเข้าออกอยังไงกูต้องทำประตูไวสิเพามีประตูแล้วคนเข้าออกตรงนี้ได้นี่แหละมันสำคัญถ้าไม่มีคนมาตรวจตราให้ดีเนีย่ยโว้ยโจรจะเข้าก็ได้คนจะขโ ม, มยของออกก็ได้ไม่ได้ต้องมีนายทวารต้องมีตํารวจต้องมีคนเฝ้า มาคอยตรวจตราแลดูให้ดีว่าใครจะผ่านเข้าผ่านออกจะมาทําดีหรือจะมาทําร้ายคนจะมาทําร้ายไม่ให้เข้าคนจะมาทําดีให้เข้าได้ต้องรู้จักตรวจตราสตินั่นแหละต่างฝั่งจึงเป็นจุดตรวจตราจะเป็นเครื่องมือจะเป็นนายตะวานเหมือนคนเฝ้าประตูไม่ใช่อยู่เฉพาะที่แค่จมูกที่รับกลิ่นเท่านั้น มีวิ ญ, ญญาณอยู่ตรงไหนมีการรับรู้อยู่ตรงไหนจมูกใช่ไหมด้วยนะเป็นการณวิญญาณหูด้วยหูหูเป็นโสตวิญญาณก็ต้องมีสติตั้งเอาไว้ด้วยมีวิญญาณการรับรู้ตรงไหนตาใช่ไหมเป็นจักษุวิญญาณสติก็ต้องตามไปตรงตานั้นด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยเป็นมโนในใจของเราจึงต้องมีสติ เป็นที่แหลไปสู่วิญญาณไปตรงไหนสติต้องตามไปที่นั่นตงฝังสติตามไปที่ไหนมีการรับรู้คือวิญญาณแล้วสติตั้งจิตมั่นให้ได้อยู่หนะ้าที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นสมาที่ตำฝังคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราจะไม่ได้ตามไปตามความยินดีพอใจ หรือไม่พอใจในวิญญาณที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีสติ ก, การระลึกได้มันตั้งประกอบว่าอยู่ท่านเปรยบไว้เหมือนกับเชิงรางก้นหม้อที่พอเราหม้อมั น, นกลมกลมเนี่ยแต่ตั้งไว้เฉยบนพื้นราบมันจะโคกเกล็กไปมามันก็ต้องมีชววยรางก้นหม้อเหมือนกันจิตของเราไปรับรู้บางทีมันเลอไปเปลื่มไปได้ ตมีสติไปตามรับรู้ไว้ที่เรามันจะตั้งขึ้นได้ให้เป็นสมาธิได้เป็นระมวันเดียวได้พอที่เราเป็นสมาธิแล้วตรงฝั่งนี้แหละจึงเป็นสุดที่2ที่เราเมื่อให้จิตเป็นสมาธิความคิดมันจะมีความแจ่มใสสามารถที่จะตกผลึกเป็นสมาธิิมีปัญญาในการที่จะเดินตามแผนที่คําสอนได้ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของการปฏิบัติธรรมประมาณสัก10ถึง15หนาทีเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลทำไมจะต้องมีความสงบเยือกเยน็นอ่อนโยนนุ่มนวลเพราะว่าด้วยความหยาบด้วยความกระด้าง ด้วยความที่มันเปราะง่ายเนี่ยเหมือนทองคําตั้มฟังถ้าอยาเปราะง่ายมันจะขึ้นรูปทําอะไรมันทําได้ยากมันจะเสียหายจุดที่ถ้ามีความหยามีความกระด้างมันจะเปราะแตกง่ายทําความเข้าใจเรื่องอะไรมันก็จะเข้าใจได้ยากนี่ข้อที่หนึ่งถึงแม้จะเข้าใจมันก็จะเข้าใจไม่ได้ด้วย ความถูกต้องมันจะเปราะใช้งานไปก็จะแตกง่ายเข้าใจไม่ถูกกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจคลาดเคลื่อนไปปัญญาก็สามลงหยาบลงคืบคลานไปทางไหนมันก็ไปได้ไม่ดีในที่นี้เราจรึงให้มีการฝึกปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบกันซะก่อนสัก1 0ถึงนาที ให้จี่เรามีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะสิ่งที่เราจะทาความเข้าใจในวันนี้ทัมบังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ปฏิบัติรำเนี่ก็คือว่าทุกคนทัมบังที่ถ้าทัมฟังเ อ, อ่อมีจิตน้อมมาในแนวทางธรรมะต้องการคิดว่าเออฉันจะพ้นทุกข์ละในชาตินี้อย่างน้อยให้ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง มันลดลงมันหายไปมันดับไปเดินมาตามแนวทางของธรรมะเนี่ยุฝังคุณจะมีเครื่องทดสอบเรื่องทดสอบเครื่องมาตรวจสอบว่าให้จิตใจของเรานั้นการเดินทางของเรานั้นมันยังอยู่ในลู่ทางในช่องทางตามกรอบขอบ ขงมักแปดได้หรือไม่ที่ม่นต้องมีเครื่องสอบตำรว ง, งเหมือนกับเข็มทิศนี่แหละนะเราก็มีการตรวจสอบไงว่าเราเดินตรงไปถูกต้องตามทางที่เราจะไปทิศเนี้ยคุณเดินไปถูกไหมคุณเดินไปตรงไหมเอาก็ว่าเดินตรงมันก็จบแล้วไม่ใช่เหรอจึงก็ว่าฉันเดินตรงแต่ทุกคนนะตำรังธรรมาชาติของจิตไอย่างที่ว่า มันเหมือนลิงมันวิ่งวุ่นไปมาตามอะไรภาษาที่พอใจบ้างวิ่งหนีภาษาที่ไม่พอใจบ้างก็อเกี่ยวไปตามอารมณ์เหมือนกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนยวกิ่งอื่นเรื่อยไปทำไมมันจะต้องมีไปออกไปบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของจิตแต่เราดูอย่างสมัยปัจจุบันตัามฟังเช่นนักบินอย่างเงี้ย นักวบินในเวลาขับเครื่องบินไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการล l อ t เส้นทางก่อนละพล o t เส้นทางนี่ก็หมายความว่าลากเส้นเราว่าฉันจะไปทางนี้เดินเรือก็เหมือนกันฉันจะไปทิศนี้แต่เวลาเดินทางไปจริงๆเนี่ยมันไม่เป๊ะตั๋วฟังก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่า cost correction cost correction คือการตรวจสอบให้ว่า คุณมาตรงทางเอาเป๊ไปนิดนึงคุณกัปรับมาทางนี้เป๊ะไปนิดนึงคุณกับปรับมาทาง น, น, น, าานี้ให้มันตรงไปตามทางหรือแม้แต่เราเดินเองอย่างนี้ก็ตามคุณเดินไปตามถนนเนาะมันก็ไม่ตรงเป๊ะเราว่าเราจะเดินตรงเป๊ะแต่คุณลากเส้น GPS เนี่ยนะชา ย, ยุมันตามถนนอยู่แต่มันก็ยุกยุ่ยกัยกนิดหนึ่งด้วยความที่เป็นมนุษย์อันนี้มันธรรมดามันก็ต้องมีแบบซ้ายขวาซ้ายขวา หนักบ้างเบาบ้างอาจจะไปไปเราก็มีคอสคอร์เรคชันคือการตรวจสอบให้มันตรงมาตามทางอย่างคนที่ขับรถยนต์นี่ก็เหมือนกันเน้าไหลมาตั้งแต่เครื่องบินเรือหรือรถยนต์นเราสังเกตดูคนที่เขาขับรถแต่ขับเองไม่เป็นก็ดูคนที่เขาขับนี่คุณขับไปตรงๆนี่แหละบางทีเปลี่ยนเลนบ้าง จากซ้ายมาขวาแสงเรียบร้อยกกลับมาซ้ายอีกนี่คือถนนเส้นเดิมเลยนะหรือแม้ต่อให้อยู่เลนเดิมต่อให้ไม่ได้เลี้ยวโค้งซ้ายหรือขวาบานทีเราก็ยังต้องแบบขยับซ้ายนิดนึงขยับขวานิดนึงขยับซ้ายนิดนึงเอาซ้ายเกินไแปบบขยับขวานิดนึงอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมือมันจะไม่ได้มันนิ่งอยู่กับปูมาลัยจับไว้อันเดิมท่าเดียว ไม่ใช่แล้วไม่ถูกแล้วมันต้องยืดนิดนึงนิดนึงอย่างนี้อยู่ตลอดตัวอย่างที่ยกมานี้เพื่ออะไรต้องหวังให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องมีเครื่องมาทดสอบแน่นอนว่าเราอยู่ในทางหรือไม่เครื่องทดสอบนี้จะมาในรูปของผัิสัมพันเราอาต้งฝังถ้าบอกว่ายังจะสามารถเยือกเย็น สามารถสงบสงเงียมสามารถอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถเรียบร้อยเป็นคนดีอยู่ได้เนี่ยแต่เมื่อสิ่งที่ยังไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบนี่อันนี้ก็ธรรมดา่างนก็ดีๆอยู่เอาก็ดีๆอยู่หรือว่าสิ่งที่น่าพอใจชนิดที่แบบยั่วยวนไม่ใช่แค่ไม่น่าพอใจนะ เกมีคนมาดา่ามีคนมาว่านี่ก็อันหนึ่งละยังดีเหมือนเดิมอยู่ได้ไหมหรือถ้ามีโอกาสโกงละ่ะมีโอกาสทำผิดละ่ะคุณจะทำผิดไม้คุณจะโกงไหมอันนี้สำคัญพระพุทชเาท่านเคยเปรียบไว้เหมือนกับแม่เจ้าเรือนคนหนึ่งทุกฝังเธอชื่อเวเตหิกา แม่เจเริญคนนี้อยู่ในนัก่อนสาวพอดีเธอเนี่ยก็มีชื่อเสียงเกียรติศักดจ์กระจายไปเวลาไปตลาดไปไหนเนี่ยโอ้ก็เรียบร้อยเหมือนภาพแป๊บไว้สงบส ง, งีวยมอ่ อ, อนโยนเยนืกเย็นเรียบร้อยแม่ดีมากเลยแม่เจเริญคนนี้ใครๆก็ชมใครๆก็กล่าวขวัญถึงในเรื่องที่เธอมีความสงบสงเง่ยอ่ อ, อนโยนเรียบร้อย มีชื่อเสียงไปในกรุงสาวัตถีอย่างนี้ด้วยความที่เธอมีชื่อในความที่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบสงเสงี่ยมหนี่ยทำไมก็มีคนมาสู่ขอแต่งงานออกไปสู่เรื่องของตนเองก็คือออกไปครองเรือนละเอาจากเรื่องของมานดามิดาของตนไปสู่เรื่องของสามี ต่อมาเมื่อเธอไปเป็นแม่เจ้าเรือนในเรือนใหม่ต้องฟังที่เสียวเธอก็ยังกระจอกระชายไปอยู่ในความที่เป็นคนเรียบร้อยมีความอ่อนโยนอยู่บ้านก็โอ้เรียบร้อยจัดทำนั่นนี่อะไรต่างๆมีความเรียบร้อยต่อมาก็มีนางทาสีของเธอนี่แหละที่ชื่อว่านางกาลีนางกาลีเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนไม่เกียจคร้าน จะแจ้งการงานอย่างดีนางการีนนันก็มีความคิดตัมฟังว่าเอ๊ะที่ว่านายหญิงของเราเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนสงบงเสงี่ยมเนี่ไม่ได้โกรธไม่ได้แสดงความไม่ดีอะไรต่างๆนี่ให้เป็นเพราะว่าเราทำการงานดีใช่หรือไม่เลยไม่ได้แสดงออกอะไรพวกนั้นออกมาก็เลยทำการทดสอบตมฟัง มันรุงขึ้นนี่นางก็เลยแกล้งลุกสายตื่นสายนั่นเองตื่นสายลุกสายขึ้นมาแล้วแม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี่ก็มาเห็นว่าไอ้การงานอะไรต่างแต่ยังไม่เรียบร้อยเึ่นมาตื่นมามาต้องกวาดที่ทางอะไรต่างให้มันเรียบร้อยล่ะวางทีในช่วงกลางคืนผ่านมาสัตว์เลี้ยงบ้างลมบ้าง พัดใบไม้บ้างทําสิ่งของอะไรต่างๆให้ไม่เรียบร้อยบ้างเตื่นลุกขึ้นมานี่มันต้องกวาดต้องเช็ดแล้วให้เรียบร้อยเอ๊ะทำไมวันนี้ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้กวาดเรียบร้อยก็เลยไปเรียกตรวจสอบดูนางกาลีทําไมยังไม่ตื่นก็ะตะวันเรียกขึ้นมาละเฮ้ยนางกาลีทําไมไม่ไมจแจ้งอะไรให้เรียบร้อยโ อ, โอ้โอ้ลูกสายลูกสาย แม่เจ้าเรือนเบติฮิกานี่ก็เครียดให้หลายท่าฟังว่าโอ้ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรทำไมมันนอนตื่นสายเริ่มขัดเครื่องละมีชักสีหน้ามีหน้าบึ้งขึ้นแล้วอันนี้คือเริ่มเจอผัสสาที่ไม่น่าปอใจแล้วนะทุกฝัง่งเรามาเปรียบเทียบกลับในตัวของเรานะว่าตอนที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตนะเรยบร้อยทุกอย่างดี รถไม่ติดอากาศไม่ร้อนเย็นสบายไปถึงที่ทำงานทุกคนก็พูดดีด้วยประชมุมปรึกษางานก็เข้าใจกันทำอะไรก็ราบรื่นทุกคนก็ตรงเวลากินอาหารก็อร่อยดีเดินทางกลับก็รถไม่ติดทุกอย่างราบรื่นสวยงามไปหมดเลยแม่เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนี่นะมันก็ดีสิ เราก็อารมณ์ดีไงเราจึงมีอารมณ์ดีไงตูงมละ่ะอารมณ์มันจึงดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันดีเราก็ปรารถนาว่าสิ่งแวดล้อมมันจะดีแต่ว่าพอวันไหนตูฟังมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่านางกาลีมาตื่นสายหรอนะว่านางกาลีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ท่านยกเปรียบเทียบถือว่าบางทีฝนมันก็ตกอะเอาใจเอาอย่างไงบางทีมันอากาศก็ร้อน บางวันร้อนให้มันหนาวเย็นดีบางทีก็หนาวไปอีกเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงสภาพอากาศเอาคนเรานี่แหละบางทีรถมันก็ติดใจให้ทำยังไง ร, รถติดประชุมเหมือกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องคนนี้ทำไมมันบอกยากมันดื้อด้านถ้ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วเนี่ยเราจะยังสบายใจได้ไหมเราจะยังเยืกเย็นได้ไหม เราจะยังมีความเรียบร้อยเหมือนอย่างตอนที่เราอารมณ์ดีๆเนี่ยได้ไหมอารมณ์ดีพระอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันดีแล้วถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีกุณจะอารมณ์ดีอยู่ได้ไห ม, ไมเมื่อเช่ยนนันดูฝังรุ่นงทดสอบมันไม่ได้มีแค่นี้แมเจะเริ่นเบตเฮกาถูกนางทาสีชื่อกาลีทดสอบไม่ใช่อรอมเดียวก็ตื่นสายเนี่ย ถูกด่าถูกชักสีหน้าวันต่อมาตื่นสายยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วนางทาสีกาลีก็เห็นแล้วว่าโอ้นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีความโกรธนี่ยังมีความโกรธอยู่ในภายในอยู่นี่เพียงแต่ไม่ทําให้ปรากฏเท่านั้นเองโอ้เนี่ยเพราะว่าเราจัดการการงานอย่างดีเอางั้นเราทดลองให้ยิ่งได้บิก๊กตื่นสายยิ่งกว่าเดิมอีกดูวันก่อนตื่นสายจึงยังไม่ได้กวาด จัดแจงเสนาสนะที่ทางนั่นนี่วันต่อมาตื่นสายขึ้นกว่าเดิมอีกต้องไปอยู่รีดนมแพะนมบัวมาจัดเตรียมเอาไว้โอ้แม่เจ้าเรือนเวเด ก, กามาดูเอ้เรือนเรือนที่ทางอะไรยังไม่ได้กว่ายังไม่ได้จัดเอาแล้วนมแพะอะไรต่างๆที่ต้องเตรียมก็ยังไม่มีโอยนี่มันตื่นสายยิ่งกว่าเดิมอีกนี่นะ ก็จึงด่าเลยทีนี้คือพอตื่นแล้วก็เดินออกมาใช่ไหมล่ะนางทาสีกาลีแม่เจ้าเรือนเวเทหีกาพอเห็นสภาพของนางกาลีเพิ่งออกมาสิ่งต่างๆยังไม่ได้จัดยังไม่ได้ทำนักยิ่งกว่าเดิมอีกด่าด้วยคำหยาบคายรุมฝังด้วยเสียงอันดังให้คำหยาบคายแผดเสียงขึ้นมาเลย วันก่อนวั น, น, นแรกเนี่แค่ด่านิดๆหน่อยๆใช่ไหมบน่นบึมพาโกรธขัดใจชักสีหน้าหน้าเบึง้งตึงขึ้นมาวันนี้นอกจากชักสีหน้าหน้าเบึ้งตึงแล้วยังด่าด้วยเสียงดังด้วยคำหยาบด้วยบางทีต้งฝั่งในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่มากยิ่งขึ้นด้วยรถติดฝนตกยังไม่พา อย่างคนนั้นคนนี้ในที่ทํางานทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ให้เราแบบโอ้ยก็ไม่พอใจในเรื่องราวนั้นนั้นนี้นี้อย่างมากเลยเดีนคือเครื่องทดสอบต้องฟังคือเครื่องทดสอ บ, บอ เ, ร, ออบเรื่องทดสอบว่าจิตใจของเราเนี่ยยังจะอยู่ตามมั้ยอยู่ในช่องทางได้หรือไม่ยังจะมีความเยือกเย็นอ่อนโยนเรียบร้อยส ง, อสงบสงี่ยม เหมือนตอนที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยได้หรือเปล่ามันเป็นเครื่องทดสอบนางกาลีเนี่ยยิ่งทดสอบดีนะคือคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นคนที่จะทดสอบเราได้อย่างดีที่สุดคนอื่นเนี่ยมาทดสอบเราไม่ได้หรอกใครที่เราไม่รักใครที่เราไม่แคร์ใครที่เราไม่สนใจใครที่เราแบบไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรเขาด้วยเขาจะทอะไรเป็นยังไงเราไม่ได้แคร์หรอก แต่คนใกล้ตัวนี่แหละต้องฟังมันทดสอบกันดีนะนางทาสีกาลีเห็นตาทางดังนั้นแล้วต้ฝงฟังว่าโอ้ไม่ใช่ไม่มีความโกรธนะเนี่ยเพราะว่าเราทำการงานดีเอาวันต่อไปยิ่งขึ้นไปอีกต้ฝงฟังจากที่ว่าเออตื่นมาต้องกวาดที่ทางจะแจงเสนาเสนะ เสร็จแล้วก็ต้องไปรีดนมวัวมาเตรียมมาไว้เราก็ต้องมาหุงข้าวทํากับข้าวจัดแจงการงานอื่นๆต่อต่อไปเนี่ยวันที่สมทดสอบยิ่งกันีกกวาดนี่ไม่ต้องพูดถึงรีดนมแพะไม่ต้องว่ากันละ่ะอาหารก็ไม่ได้เตรียมฟืนไฟเตาข้าวก็ไม่ได้หุงไม่ได้ตราเตรียมมาไว้ อ้ยแม่เจ้าเรือนเบเติกาเห็นสภาพดังกล่าวเอานางกาลีนี่เพิ่งจะออกมาท่าทางงวงเงียป่วยก็ไม่ได้ป่วยโอ้ ย, อยทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ตื่นสายด่าด้วยถ้อยคาที่หยาบยิ่งกว่าวันแรกอีกโกรธมากชักสีหน้าขวาลิมประตูอะไรตวนี้่านฟังควาลิมประตูวันแรกนี่เอาแค่ว่าทั้งใจนี่ขัดเคืองนะ แสดงท่าทางชักสีหน้าวันที่สองนี่ทางวาจาชนิดที่ว่าด่าด้วยถ้อยคำหยาบกายแผดเสียงด่ากราดวันที่สามนี่ลงมือลงไม้แล้วเอาด้วยคว้าลิ่มประตูนี่แหละฟาดหัวมันเลยปาใส่เข้าหัวของนางทาสีกาลีนางทาสีกาลีมีสีสะแตก เลือดไหลโซม อ, อกเนี่ยโอ้จะอยู่ทําไมล่ะทุกฟังก็วิ่งหนีเลยวิ่งหนีวิ่งไปไหนวิ่งไปตลาดนุ่นเลยทุกฟังวิ่งไปตลาดเนี่ยพูดเที่ยวพนธนาเลยว่านี่ดูสิดูสิฉันถูกแม่เวเทหิกานี่แหละซัดเอาด้วยลิ่มประตูหัวแตกเลือดอาบโอ้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนสงบสงงเงียมอ่อนโยนเรียบร้อยนะเนี่ย นี่แค่ว่าทาสีคนเดียวทำงานไม่พอใจจึงโกรธเกรืองคว้าลิมประตูมาทำขึงขนาดนี้พังเลยตมหวังพังเลยจู่เสียงที่ดีงามก็อจอยกระจายไปก็แม่เจ้าเรือนเวเทฮิกาเนี่ไม่เหลือแล้วพังแล้วเรื่องราวตรงนี้สาหวังพระบริเชายกมาตรัสบอกไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าโมริยาปะกุณะ เปรียบเทียบไว้กับแม่เจ้าเรือนเวเตกีกาทุกนางทาสีกาลีทดสอบว่าใครก็ตามอะต้ฟังที่ว่ายังมีความสงบสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยมีท่าทางดีมีเมตตาแต่ความเมตตานั้นความดีนั้นที่คุณบอกคุณมีคุณมีเนี่ยมีอยู่ตอนไหนอะแน่นอนว่าทุกคนมันก็ทํากันได้ แต่เวลาที่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเวลาที่สิ่งที่ไม่ได้มีกานมายัว่วยวนยังไม่ได้มากระทบทุกคนก็ดีหมดดีเหมือนผ้าปรับไว้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ต้องรวมถึงทั้งภาษาที่น่าพอใจด้วยนะถ้ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วยังเยือกเย่นอยู่ได้ไหมเอาตา น, นี้ก่อนยังอ่อนน้อมถอมตนอยู่ได้ไหม ยังเรียบร้อยยังสงบสงเสงี่ยมอยู่ได้ไหมเหมือนเดิมไหมหรื อ, อถ้าเหมือนเดิมนี่แม่มีเมตตาจริงๆสงบสงเสงี่ยมจริงๆรอ่อนน้อมถ่อมตนเยือกเย็นอยู่ได้จริงๆความจริงเนี่ยคือความจริงอยู่ไม่ใช่ของปลอมหรือถ้าเป็นได้บางเวลาเป็นเฉพาะเวลานี้แต่พอคนด่าแล้วไม่เป็นละเอานีแสดง่าเป็นของปลอม เข็มแข็งอยู่หนักแน่นอยู่ช่วงเวลาที่ภาษายังไม่น่าพอใจมากระทบแต่พอเริ่มมีคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข็มแข็งอยู่ไหมหนักแน่นอยู่ได้ไหมเป็นของจริงไหมหรือเป็นเฉพาะแค่ บ, บางเวลาเป็นบางเวลาเนี่ยเป็นเวลาไหนเพราะาข้อยกเว้นบางทีมันก็มีใช่ไหมท่านฟังแต่เป็นเฉพาะข้อยกเว้นตามอะไร ตามกิเลสหรือว่าตามความพอใจไม่พอใจของกิเลสนี่อันนี้ไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะภาษาที่ไม่น่าพอใจตัว น, นั้นนะทังยังรวมถึงภาษาที่น่าพอใจนี่แหละด้วยยังรวมถึงโอกาสที่จะให้เราได้โกงด้วยโอกาสที่จะให้เราได้ทำผิดด้วยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะทาผิดศีลหรอกโดยชวนยิงศีลข้อสามอย่างเงี้ ก็แหม่ก็ไม่ได้มีอะไรฉันก็มีภรรยามีสามีมีคู่ครองอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมีความชื่อสัตว์ต่อคู่ของตนเองแต่ถ้าโอกาสมันเปิดมีมาละ่ะมีคนมาอ่อยละ่ะมีคนมายั่วยวนละ่ะแม่คนนี้เขาก็ชอบฉันด้วยนะเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงละ่ะถ้ามีโอกาสที่จะทำผิดเนี่ยคุณจะทำไหมบุก็บอกได้ว่าไม่ทาหรอกไม่ทำหรอก พราะว่ากลัวถูกจับได้เรื่องแดงขึ้นมานั้นไม่ดีแน่เลยอันนี้บางคนก็กลัวภัยต่อการติเตียนจากคนอื่นถูกไหมว่าถ้าคนอื่นจับได้เนี่ไม่ดีแน่หรือว่ากลัวภัยต่อการถูกลงโทษด้วยอาญาถูกไมว่าถ้าจับได้แล้วมีชื่อเสียงเสียไปแล้วไม่ดีละ่ะหรือถูกจับได้มีชื่อเสียงเสียแล้วยังถูกเข้าคุกอีกถูกลงด้วยอาญายอีกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ ยังไงเจนก็ไม่ทำมางคนก็ยังมีความระลึกมีความละอายในข้อนี้ได้ทีนี้ว่าเอาถ้าเปิดขนาดที่เรียกว่าไม่ต้องถูกจับได้ด้วยโกงแบบเนียนๆไม่ถูกจับได้แน่นอนโอกาสมันมีช่องมันมีอยู่ตรงนี้เอาจริงๆด้วยเนี่ยคุณจะทำไหมในเรื่องความชอบพอพอใจความที่จะทำผิดได้นะ ความโกโรธก็ด้วยนะทุกฟังความโกโรธเนี่ยคุณจะโกโรธกันไหมคุณจะฟ้องเขากราบไหมแต่ให้คุณถูกและเขาผิดจริงๆเลยอะ่ะแล้วว่านี่เป็นสิทธิของฉันที่ต้องรัรกษาเอาไ ว, ว้แล้วแล้วถ้าคุณฟ้องคุณชนะแน่เลยเนี่ยเรียกสินไหมได้เป็นหลายแสนหลายล้านเนี่ยคุณจะทําไหมยังจะสงบสงเงียเง่ยมเยือกเย็นอ่อนโยนคิดว่าฉันจะรักษาความยุติธรรมไหมหรือว่าฉันจะ รักษาคุณธรรมของฉันคือเรื่องนี้บางทีเราต้องแยกออกจากกันนะระหว่างเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองก็แยกไปแต่เรื่องที่สำคัญในที่นี้คือว่าจิตใจของเราเนี่ยเราจะรักษาให้มันอยู่ในลู่ทางตามมักแปดเนี่ยได้ไหมยังมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้า ในคำสอนคือธรรมะในการปฏิบัตินี่หนักแน่นเคารพยำเกรงอยู่สการะอยู่นอบน้อมอยู่จิตใจนุ่มนูนอยู่เนี่ยได้ไหมความโกรธก็ถูกนางกาลีทดสอบแม่เจ้าเรนเมธีกาความโลกก็ถูกเท้าสกาัดนี่แหละสอบนายสุ ป, ปะพุทธาที่เป็นคนโรคเรื้อน คนโรคเรื้อนทางฝั่งมีผิวหนังแบบปูปากปูปากขึ้นเนี่ยทั้งหนองทั้งเลือดอะไรโว้คนเห็นเขาก็รังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ตัวเองก็รู้สถานภาพสถานการณ์ของตัวเองดีวะ่ะพวกคุณก็ไม่ชอบฉันมาทางไหนก็หน้าแย่หน้าบีแล้วก็เอามืออุดจมโอสฉันก็ไม่อยากเข้าใกล้มันกันนั่นแหละแต่พอได้ยินข่าวว่าเนี่ยเขามีทเทศมีฟังธรรมนะ พระบุตเจ้าจะมาเทศนะอุ้ยจิตใจก็น้อมไปนุ่มนวลไปอยากจะไปฟังพระบิดสร้างกรรมที่เป็นพื้นฐานมาในการก่อนไว้เอ้วพอจะไปฟังธรรมแอบไปนั่งท้ายเขาโน่นเลยเพื่อที่จะได้ฟังธรรมฟังไปฟังไปจิตใจนึกน้อมใคร่กรวนตามไปนี่โอ้ บรรลุโสดาบันขึ้นมามีความอย่างลงมั่นไม่วันไวในพระพุทธประธรรมประสงค์บรลุโซดาบเรียบรยแล้วแม่จิตใจมันชุ่มเย็นอย่างมากเลยจิตใจนี่ยมันเข้าสู่กระแสของนิพานความทุกข์ชนิดที่ว่าจะต้องมาเกิดเป็นคนโรคเรื่นเป็นคนเข็นใจอะไรอีกเนี่ยมันหมดสิ้นเลยเนี่ยปริมาณความทุกข์ที่หมดสิ้นลงไปของคนที่เป็นโซดาบันเนี่ยนะลฟังนะ มันมากเหมือนกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดโลกเนี้ยเปรียบเทียบกับดินติดปลายเล็บมือเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ความทุกข์ที่หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วของนายสุปาพุทธะจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุปเป็นโสดาบันขั้นผลเหลือความทุกข์นิดๆหน่อยๆที่กายของตนเป็นโรคเรื้อนเป็นคนเข็นใจ เป็นคนไม่ค่อยมีอันจะกินเลยอยากจะไปกราพระพระชธชัยมันเต็มเต็มนึกถึงบุญคุณที่ท่านอุาษา์บอกสอนจิตใจรู้ชุ่มย็นขึ้นมานี่ระหว่างที่ว่าเดินจากท้ายศาลาไปด้านหน้าศาลาเพืที่ะบอกถึงคุณที่ตัวเองได้รับจากการฟังตามให้พระพุทธา ฟ, ฟังเนี่ยพระสขัดเทวราชตั้งหวังมาทดสอบในสุปาปุตานี ด้วยการเอาเงินมาลอเงินเนี่ไม่ใช่เงินธรรมดาธรรมดานะทุกทังไม่ใช่เงินแค่แบบเอาเงินแสนน่ะคุณเซนตรงนี้ให้หน่อยเอาหน้านี้ยี่สิบล้านเอาโครงการนี้ให้หน่อยไม่ได้ปิดกฎอะไรด้วยเพราะว่าก็ตามเรื่องราวตามระบบระเบียบมันมาเพียงแต่แบาหัวกันนิดนิดหน่อยหน่อยย่างนี้ปรับสเปคต ร, ตรงนั้นนิดนิดหน่อยหนอย่างนี้หรือว่าขอข้อมูลสักหน่อยหน่อยนิดนิดตรงนั้น ว่าเออคราวนี้จะไปจับสลากที่ไหนมีสเปคเป็นอย่างไรจาํานวนคนเท่าไหร่แต่ขอข้อมูลตรงนี้สัหน่อยนะเดี๋ยวให้เท่านั้นเดี๋ยวให้เท่านี้คือมันมันไม่ใช่เท่านั้นเท่านี้ทนะุกฝั่งเพราะว่าตัวเลขเนี่ยที่ท้าวสกะเทโราชนําเสนอให้กับนายสุปปพุทธะเนี่มันยิ่งกว่าหมื่นล้านนะมันยิ่งกว่าแสนล้านนะโอ้เราเนเท่าไรหร่ล่ะ มันคือสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิตัต้มฟังสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่แสนล้านไม่ใช่ล้านล้านคือมันทั่วโลกเลยเอา้าความเป็นใหญ่ยิ่งครองทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดทั้งช้างแก้วม้าแก้วถ้าเราเปรียบเทียบสมบัติคือทรัพย์สินเงินทองกับสมบัติที่มีวิญญาณครองเนี่ยเช่นช้างม้าวัวควายเนี่ยช้างม้าวัวควายนี่ดีกว่านะตั้ฟัง เพราะว่าแก้วแหวนเงินทองมันออกลูกไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันอยู่ในกระเป๋าใครคนนั้นมันก็ทํางานได้ละทํางานเพื่อคนนั้นแต่ช่างมา้าวัวควายนี่มีวิญญาณครองมันออกลูกได้ฝึกได้เป็นของใครเนี่ยมันก็ซื่อสัตย์กับคนนั้นด้วยสั่งการได้เนี่ยก็ยุบว่าทรัพย์สินที่มีวิญญาณครองเนี่ยมันดีกว่าขนาดช่างแก้วม้าแก้วเป็น ทราบที่มีวิญญาณกรองออกมานําเสนอให้กับนายสุภปุตตะออเฟอร์ให้เลยเพียงเงื่อนไขอย่างเดียวทาวสกะบอกให้ประกาศเลยออกมาเดี๋ยวนี้ประกาศว่าพระพุทธชาเนี่ยไม่มีจริงหรอกเป็นแค่เรื่องในตำนานเฉยคนที่แสดงทําอยู่เนี่ยไม่ใช่สมณะสมพุทธโตจริงๆเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามีเพียงมาในตำนานเฉพาะอยู่ในสมัยนั้น แล้วก็ให้ประกายบอกด้วยว่าธรรมะคำสอนอะไรที่แบบปฏิบัติได้ทำได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแค่เรื่องราวที่เขียนเป็นข้อหนึ่งข้อสองให้คนแบบได้ท่องได้จำแล้วก็มีระบุเพียงมาในตําราไม่ได้จะใช้งานได้จริงไม่ได้จะเป็นคำสอนที่ดีได้หรอกแล้วก็ทำานี่ก็ไม่ได้ผลจริงหรอกไม่ได้ผลจริงเพราะว่า มีแค่อยู่ในช่วงเวลานั้นไม่ใช่มาถึงในช่วงเวลานี้ได้หรอกไม่ได้เป็นอาการลิโกไม่ได้จะเป็นสิ่งที่จะทําได้หมดไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานหรือว่ามันเป็นเรื่องลวงเรื่องหลอกเฉยๆฟังได้ชัดไม่ได้ชัดไม่จริงคนปฏิบัตินี่ก็ไม่ได้ตามนั้นด้วยไอ้ที่ว่าทํากันได้ทํากันได้เนี่ยมันของปลอมเฉยๆเป็นปฏิวิรูปหมดแล้ว มีดีอยู่ได้นี่ยก็ชั่วเวลาที่ผัสใสไม่น่าพอใจมันกระตุกตอนนั้นแหละเฟกเอาหลอกเอาปั้นแต่งเอาแต่ในมันกลวงทําไม่ได้จริงๆพูดเลยนายสุปาพุทธทรัพย์สินนี้จะเป็นของเธอตพิฟังลองคิดดูคนที่เป็นคนเข็นใจไรทรัพย์สมบัติมีคนมาล่อมายั่วยวนด้วยทรัพย์สมบัติขนาดมากเลยเนี่ย เพื่เราจะเปรียบเทียบว่าเออบางคนก็มีเงินอยู่แล้วนะหรือบางคนก็เมียสวยอยู่แล้วอนะแบบเราจะเอาผู้หญิงสวยอื่นๆมาอีกหรือว่าจะเอาเงินมาอีกฉันก็มีมากแล้วฉันไม่เอาหรอกแต่นี่คือเขาไม่มีเลยนะดูฟังเลยความที่ไม่มีนี่เราจะมีมากๆอุ้มันยิ่งแตกต่างกันเยอะมากเลยบางคนบอกเออฉันไม่โกงหรอกสิบล้านยี่สิบล้านมันน้อยแต่ถ้าคุณมีโอกาสจะโกง ร้อยล้านล่ะพันล้านล่ะแล้วก็จับไม่ได้ด้วยนะคุณจะเอาไหมน้อยๆ้อยไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรมันเสียเกียรติเราแต่ถ้ามากๆแล้วจะเอาไหมหรือว่าก็เอาไว้ก่อนก็แบบสักแต่ว่าพูดไปเอาเงินไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังค่อยไปแก้ก็ได้นี่ไงที่ใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงยังมีความหนักแน่น มีความมั่นคงอยู่ไหมมีความนุ่มนวลไหมมีความอ่อนน้อมต่อคําสอนไหมมีความมั่นคงมีความสงบเสงี่ยมมีความเรียบร้อยดีงามในจิตใจเราได้หรือไม่หรือมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวคิดนึกไปเป็นอย่างไรความคิดเนี่ยตรงฝั่งมันไม่ใช่จิตนะมันเปลีป่ยนแปลง ไ, ไปตามการปรุงแต่งแน่นอน ความคิดของเรานี่เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดีก็คิดเรื่องนั้นตามสิ่งที่ปรุงแต่งไปเดี๋ยวเรื่องนี้มามันก็คิดไปเออจะเอาเงินนี้ไปใช้ที่ไหนเอ๊ะคนนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไ ม, ม น, นี่มันมาเป็นเอ๊มันจะมีกรรมต่อกันมาหรื อ, อยังไงหรือเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไรอย่างไรโอยคิดไปบ้าบอเลยคือความบ้าบอของความคิดนึก และจิตของเราเนี่มันจะเยือกเย็นนุ่มนวลหรือว่าตามความคิดนั้นไปถ้าจิตตามความคิดนั้นไปจิตก็เป็นอย่างนั้นนะเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดใดมากจิตเราน้อมไปอย่างนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็เป็นอย่างนั้นนั่นละก็เป็นส่วนเดียวกันกับสิ่งนั้นนั่นละความคิดนึกเรณีมันต้องระวังต้องรู้จักรักษาต้องรู้จัก ประคับประคองประคบประงมดัดมันคมมัน่นเหมือนเขาฝึกช้างหรือเขาฝึกหมาบางทีถ้ามันมีความพยศความเสพดิ้นรนขึ้นมามันจะไปมีได้ยังไงล่ะถ้าบอกว่ามันอยู่เฉยเฉยมันไม่มีทางทำฝังช้างหรือมมาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ไปกลัวอะไรมันมันก็อยู่นิ่งนิ่งอ่ะแต่พอเราจะเริ่มฝึกมันให้ทำอะไรฝึกมมาให้กระโดด แยกขาแพร่ขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาเนะีุ่กฝังเอ้ยจะฝึกยังไงก็ต้องโป๊กมันตรงนี้กระตุ้นมันตรงนี้ทิ่มมันตรงนั้นให้มันยกขานี้กระโดดขึ้นอย่างนี้ใช้สัญญาณนี้มันถึงจะทำได้ขึ้นมหมไอตอนทำได้เนี่ยมันไม่ได้ทำได้แรกเลยมันก็ต้องมีความเพย์ความเฉลี่ย ด, ดิ้นรนของมันนั่นแหละออกมาก่อนไอการที่ฝึกตรงนี้แหละทุกฟัง มันคือภาษามากระทบภาษาเรื่องนั้นภาษาเรื่องนี้มากระทบแล้วเราจะฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในสัมมาวาจาได้ไหมก็แกล้งตื่นสายเนี่ยไม่ด่าเขาได้ไหมก็แกล้งทำไม่ถูกไม่ดีให้เราไม่ชอบเนี่ยไม่ตำหนิติเตียนไม่คือหมายว่าการเตือนกันบางทีก็มีแต่ว่าไม่กล่าววาจาที่ําหยาบกายร้กาศ เป็นคำทิมแทงเป็นคำพูดสะเตือนให้หักหานน้ำใจกันเป็นมิจฉาวาจาไม่กล่าวได้ไหมอ๋อหรือการกระทําทางกายไม่ถึงขนาดต้องลงไม้ลงมือกันเนะี่อย่างแม่เจ้าเริอนเวเทหิกาเนี่ยวันแรกนี่ก็ชักษีหน้าละในใจไม่ใช่ไม่มีความโกรธวันที่สองนี่วาจาหนิยวท้องเสียงด้วยความดังด้วย ยังคำพูดอีกโอ้โหเอาหมดเลยเนี่ยวาจากรไปด้วยวันที่สามนี่ลงมือด้วยใช้ริมประตูเป็นอาวุธไม่มีคมซัดไปเนี่ยเลือดอาบขึ้นมาเนี่ยกายวาจาใจไปหมดเลยทางกายเรารักษาได้ไหมอยู่ในสัมมากัมมันต์ได้ไหมหรือจะมีเครื่องยั่วยวนล่อลวงเราให้ไปเนี่ยคุณยังจะมีสัมมาอาชีวะอยู่ได้ไหม ในความที่จะไม่โกงไม่ขอไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาชีวนกรรมจะรักษาความดีของเราเนีได้ไหมอยู่ในสัมมาชีวะได้ไหมอยู่ในสัมมาสมาตาได้ไหมนี่เป็นทางแนละตงางทางนี่คือมักมักเนแปลว่าทางไม่ใช่มักง่ายไม่ใช่มักโกรธแต่เป็นมักขาคือทางทางนี้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบนี่แหละ ทางกายทางวาจาเป็นสมมาวาจาสมากัมมันตะสมมาชีวะนี่สำคัญทางใจลหละทางใจทางใจเนี่ยมีสมมาวายามะสมมาสติสมมาสมาทิสมมาทิติสมมาสังกปะด้วยนี่เป็นโลกของทางใจให้ใชเราอยู่ในทางนี้ในสุภพุทธะโดนเครื่องสอบสอบผานะในสุปพุทธะนี้ ไม่เอาอย่างตำหนีเท้าสกัดด้วยซ้ำว่าเป็นคนพานเป็นคนหลงมาทำขนาดนี้มันไม่ถูกต้องครื่องสอบมันไม่ได้มีครั้งเดียวตัง้งแวังมันมีเป็นแสนแสนครั้งจะบอกให้พระพุทธเจ้าบอกไว้กับเท้าสกัดเทวรัตหลังจากที่ได้มายื่นข้อเสนอนี้กับนายสุปปพุทธเราก็โดนเขาตอกหงายมาว่าไม่เอาเนี่ย บอกไว้ว่าต่อให้มีการกระทำแบบนี้เป็นพันครั้งเป็นแสนครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำจิตใจของคนที่มีความหนักแน่นในพุทธโทมีความมั่นใจอย่างลงมั่นในธรรมโมมีสัตตาชนิดที่ไม่หวนไหว้ในสังโฆนี้ให้ปฏิเสธจะทำไม่ได้ ร้อยครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ไม่ได้บทสอบไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวต่างต่างในชีวอกล่านี้อันนี้แน่นอนเราแค่ว่าเราตื่นมามันมีภาษาโอ้โหแบบมากมายอ่ะก่อนแค่จะ่ว่าจะกินข้าวเช้าเนี่ยคุณได้กลิ่นอะไรก่อนละคุณรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวละได้ยินเสียงนั่นนี่ละภาษาในมีมาตลอดมีมาตลอด ยังไม่ต้องพูดถึงระหว่างกินข้าวและหลังกินข้าวไปแล้วกี่มือกี่มือมีอยู่ตลอดชีวิตของเราเนี่ยท่าฟังวันทีมันมีทุกเรื่องทั้งที่การงานทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านทั้งที่ระหว่างการเดินทางที่บ้านนี่พือมีคนในบ้านเอาพ่อแม่ดีอยู่ได้ผัวเมียล่ะระหว่างกันได้ไหมแล้วลูกล่ะเราคนข้างบ้านอีกล่ะ มันมีทุกท่าตุงฝังมีทุกทางในท่าทางต่างๆเ่านั้นเรารักษาความดีขอราให้อยู่ในมรรคแปได้ไหมในการงานท่านนี้คือบางคนด้านทำงานบริษัท ด, ดีได้ไม่มีปัญหาเราทำทางด้านธุรกิจส่วนตัวได้ไหมโอ้ผมมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วโอ้มันเป็นเครื่องสอบนั่นนี่ น, นเอาเอารักษาให้อยู่ในมรรคได้ไหมจิตใจอยู่ในสัมมาสังคปะ มีสัมมาวายามะไม่ท้อถอยได้ไหมตั้งเป้าแล้วอะ่ะมีทิฏฐีไหมหรือจะหงอหรือจะเลิกเอาเลิกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราจะยึดติดไหมพรอเราจะไม่เลิกจะดื้อด้านเหรอเออนดินกลายเป็นความดื้อด้านแต่จิตนุ่มนวลไหมเออถ้าคนพูดดีๆกับเราล่ะเอาดีได้ถ้าคนพูดแย่ๆชั่วๆกับเราล่ะยังดีอยู่ได้ไหมยี่มีสัมมาวาจาไหม มีสมาสมาดีไหมเออถ้าคนพูดดีแบบป๋อหลอตอแหลเสแสงเราจะแบบลอยเลืงตามเข้าไปไหมติดกับคําพูดของเขาไหมมาเนี่ยต้องฟังเหมืนมานในทุกรูปแบบมาในรูปแบบคนดีเนั่นแหละมาก็มีมาบางทีคนดีๆบางทีก็มีมาในรูปแบบของคนที่ไม่ดีเนั่ยแหละพูดไม่ดีกับเราแต่จริงๆเป็นคนดีเราจะแยกแยะเห็น ความจริงความถูกต้องเนี่ยได้ไหมก็ความจริงความถูกต้องความดีมีในจิตใจของเราไหมแต่แบบว่าเฟ e ไม่จริงมันเป๋แน่นอนบางคนมันก็พยศอ่ะมันก็มีเป็นธรรมดาเอาเป๋แล้วทำยังไงปรับแก้สิให้มันตรงให้มันถูกคนเราไม่ได้ว่าผิดแล้วมันแก้ไม่ได้แก้ได้หุกฝั ง, งปรับเปลี่ยนได้นี่มันข้อสอบเฉย เรื่องราว บ, บางอย่างเราผิดพลาดไปเราก็าแก้ไขปรับปรุงใหม่มันไม่ได้ว่าเกินการแก้ไขหรอกต่อให้ตายไปแล้วเอาตกนรกก็ไปแก้ไขกับนายนริยบาลอยู่ดีก็ยังแก้ได้ดูอย่างพระเทวทัตตายไปเนี่ยตกนรกเอาเวจีมาหานรกเกิดมาชาติใหม่ก็จะแก้ได้อยู่เกิดการบรรลุธรรมเกิดการตรัสรู้ตามได้อยู่แต่เรายังไม่ตายคำว่าง เจอเรื่องราวภาษาอะไรบางทีมันก็เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาของโลกโลกมันเป็นอย่างนี้มีภาษาที่น่าพอใจบ้างมีภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างเราเจอเจอแล้วทรงจริตของเราเนี่ให้อยู่ในมารให้ดีตั้งจิตก็รดีอันนี้เป็นธรรมดาเป็นข้อสอบที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพูดที่ว่าฉันจะม่อยู่ตามทางคุณต้องเจอแน่นอนเอาถ้าฉันจะไม่อยู่ตามทางสิ ใครชักชวนไปไหนก็ไปใครให้ทำอะไรก็ทำาปินดารากับเป็นเป็นโจรก็ได้ขายของก็ไม่ว่าเดินทางก็ไม่มีปัญหาไปหมดเนี่ยอันนี้คือคุณไม่ได้อยู่ในทางไปตามทางอะไรที่เขาชวนไปแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าชีวิตนี้ฉันจะอยู่ในทางฉันอยู่ในมัดคุณต้องโดนข้อสอบอันนี้เป็นธรรมดาลวอย่คิดนทะ่างฝัง่า โอ้ันปฏิบัติธรรมแล้วฉันอยู่ตามทางแนวของธรรมะแล้วชีวิตฉันต้องราบรื่นเดินไปเนี่ยเหมือนเดินบนพรหมไม่ใช่พรมธรรมดาต้องพรมแล้วโปรยด้วยกลีบกุหลาบด้วยเอาสีแดงด้วยมันจะแบบแจ๋วดีตัว อ, อย่างต้องราบรื่นทุกภาษาต้องสวยงามเพื่อดูร่างการเพราะฉันปฏิบัติธรรมแล้วบุญฉันนุนแล้วฉันส่งแล้วฉันให้ทานแล้วมาจากโลกไหนนี่มาจากเทวโลกหรือเปล่า นีน่นมนุษย์ยโโลกนะคิดใหม่คิดให ม, ดหม่ดูพระพระระุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างนั่นระดับสัมมาสัมพุทโธนั้นต้องฟังแต่สรู้แล้วนั่นนั่นะนะนะนั่งอยู่บนกองหญ้าแปดกรรมนะั่นะนะ่ะคณะว่าตัดสินใจว่าเออจะไปสอนภิกษุเ ป, ป็นจบับเมื่อกี้เจอคนแรกเลยเขายังแลบลิ้นใส่ให้อุปกาชีวกบอกว่าสงสัยคงจะเป็นไปได้ การสอนคนแล้วจะไปสอนเขาเขายังไม่เอาจะเอาของดีๆไปให้เขายังไม่เอาทำฟังลองคิดดูเดินไปบางทีก็เจอฝนตกบ้างแดดออกบ้าง เ, เหนื่อยๆบ้างโรภคภัยไข้เจ็บเจอคนด่าคนว่าโอ้โดยมาหมดนะแต่เราคิดว่าเราฉันปฏิบัติทำแล้วฉันฟังทำแล้วชีวิตฉันจะดีขอโทษนะคือบับเบอร์อให้ชัดเจนกันตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่ต้องมาแบบ หาว่าแบบพวกไม่เต็มพูดไม่รู้เรื่องมีเงื่อนไขอะไรเล็กๆ เ, เขียนเอาไว้แล้วไม่บอกกันทีหลังบอกกันออฟแฮนด์ไปเลยเริ่มต้นตอนนี้กันไปเลยว่าโรกของเรามันเป็นอย่างนี้ทุกฝังสุขมันก็มีทุกมันก็มีเราเลือกที่จะเดินตามทางมาในแนวทางของธรรมะแล้วให้มั่นคงให้มั่นใจราชการที่หกทุกฝัง ถ้ามีพระราชนิพพ์เนี่ยเอาไว้บอกว่าทางไปสู่เกียรติศักดิ์จะประดับดอกไม้หอมหวนยวนจิตไซไปมีเขาบอกวันนี้แปลมาจากภาษตของฝรั่งเศสอันหนึ่งจริงๆแล้วก็สอดคล้อง ก, กันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตูมฟังว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จแล้วไกลๆจะบรรลุได้โดยง่ายๆคือได้ด้วยความสบายๆเนี่ย เป็นไม่มีความสุขความสําเร็จเป็นสิ่งที่ไกลๆบรรลุได้ด้วยความพยายามและได้ดวความลําบากด้วยความยากชี้ความมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อว่าเราเจอเรื่องราวที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วสิ่งที่จะรักษาให้เราอยู่ตามทางได้นั้นคือมรรคแปดตัฟังเราจะมีกําลังใจปฏิบัติตามมรรคแดได้ เราต้องมีความมั่นใจนั่นคือศรัทธาศรัทธาในพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นกำลังใจที่จะให้เราปฏิบัติตามต่างในกวางน้ำที่มันมีมันไม่ได้ปูด้วยพรมด้วยกลีบกุหลาบเมื่อีมันปูด้วยน้ํากุหลาบด้ยซ้ําต่อให้เป็นหนามต่อให้เป็นมีดต่อให้เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเหมือนเป็นมีดมาบาดปาด ท, ที่จิตที่หูของเรา เราก็ต้องรักษาความดีขึ้นมักแปกขอนเอาไว้ะะทุกประการโดยที่กำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมราบรุนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่นำเอข้อธรรมะต่างๆนี่แหละมาอธิบายทำความเข้าใจกันวันนี้อธิบายเรื่องถึงบททดสอบที่จะมีในชีวิตของเราว่าเราสามารถที่จะตั้งตนให้อยู่ในธรรมะอยู่ในตังให้มันได้นั่นเอง ตัวมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูุญอภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแลว้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร